50 languages. 6 ọ c 6 a ร a b i c o r a อง á p pha nam, sáu pha nam. Sáp pha nam, sáu pha nam. Sáp pha n ิ m sáu p ดิฉันหากุญแจของดิฉันไม่พบเย็นนู้ดยซไสวีคดเกกะวิเลยดิฉันหาตั๋วรถของดิฉันไม่พบเย็นนู้ดยปไรไปรักชีตุคดิกกะวิเลยคุณของคุณนี่วุ่นคุณหากุญแจของคุณเจอไหม นีุ่ณนูดายาาวเย่คันดีปิดถิ่ิตายาคุณหาตัวรถของคุณเจอไหมนีุ่ณนูดายาปายชีเต้คันดีปิดถิ่ิตายาเขาของเขาอาวนอวนนูนดยดคุณทราบไหมว่ากุญแจของเขาอยู่ที่ไหน அவனுடைய ร, ร, รா வ ி எங்கே இ งு க ் க ி ற த ு என்று น ன க ் க ு த ் த ெ ர ிีுม้คุณทราบไหมว่าตั๋วรถของเขาอยู่ที่ไหน அ வ ன ு ட ைเ டிக்கெட் எங்கே இருக்கிறது என்று உனக்குத் த ெ ர ிีுม้าเธอของเธอ அ வ ันอวันนูเรเงินของเธอหาย அ อ ள ว ட ை ய ู ண ด் த ை க ா ண வ น ல ் ல ย์ก่อหนวิลลลาบตเครดิตของเธอก็หายด้วย அ อ ள ว ட ை ய ู ட ด் அ ก் ட ை ய ை ய ுอัตாตยிย் ல มหนวิลเราของเรานอมนามคุณปู่คุณตาของเราไม่สบายนามัตต்ตாหนอยไว้ปัิริกิร คุณย่าคุณยายของเราสุขภาพดีน้ำอุปพอติอราอรกี้มาให้ยิ่งขราลคุณหนูของหนูนี่งกันุงกัน ล, อลดอะไร ด, เดิเด็กๆคุณพ่อของหนูอยู่ที่ไหนคุณันเดกๆพวกกั ล, อกลดอะไทันใดยังไงยิร เด็กๆคุณแม่ของหนูอยู่ที่ไหนคุณนันท์ใจกันเลยุงกัลรด้ได้ยัร์งวงาเราอยู่ที่ไหน